วันนี้เป็นวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันศุกร์ที่ขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันออกพรรษาเป็นวันที่ทางวัด ได้จัดพิธีตักบาตรเทโวเพื่อน้อมลํำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตในสมัยพุทธการเป็นปีที่เจ็ดของการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง เพื่อโปรดพุทธมารดาแสดงธรรมแสดงโลกุตรธรรมทรมันประเสริฐทมที่ให้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา อยู่ตลอดระยะเวลาสามเดือนจนทำให้พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายและจะหลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัตรได้ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากจะได้ไปถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระกุนคือพุทธมารดาผู้ทรงให้กำเนิด ต่อเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชีวิตอยู่นานคือหลังจากเจ็ดวันก็ทรงสเสด็จสวรรคตเพราะคุณที่ให้กำเนิดต่อเจ้าชายสิทธัตถานี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณอันใหญ่หลวงที่หลังจากที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความกระตันอยู่มีความสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพุทธมารดาจึงได้ส่งกระแสจิตไปหาพุทธมารดาและได้ทรงทราบ ว, ว่าได้อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง ยังได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาตลอดระยะเวลาสมเดือนคือพรรษาที่เพิ่งบมดไปนี้ตลอดระยะเวลาสมเดือนพระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงธรรมให้แก่พุทธมารดาและเหล่าบรรดาเทวดาทั้งหลายการแสดงธรรมให้กับเทวดานี้ พระ อ, องค์ทรงใช้กระแสจิตพระวรกายนี้ไม่ได้ไปสวรรค์ไปไม่ได้เพราะไม่มีเจรวรไม่มียานพาหนะพาไปสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงไปนั้นคือไปด้วยกระแสจิตของพระ อ, องค์โดยอาศัยอุปจารสมาธิเป็นเครื่องมือ จิตของพวกเรานี้ถ้าได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องจะสามารถเข้าถึงสมาธิได้สมชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าคณนิกะสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าอปปนาสมาธิและชนิดที่สเรียกว่าอุปจาระสมาธิคณิกะสมาธิ คือจิตที่รวมเป็นหนึ่งแต่อยู่ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกาสมาธิอัปปนาสมาธิคือจิตที่รวมเป็นหนึ่งได้และตั้งอยู่ในความสงบเป็นเวลาอันยาวนานเรียกว่าอัปปนาสมาธิส่วนอุปจารสมาธิคือจิต ที่ได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วแต่ไม่ตั้งอยู่ในความสงบจะเคลื่อนออกไปรับรู้สิ่งต่างๆหรือไปแสดงความสามารถคืออิทธิปาฏิหาริทธิฤทธิ์ต่างๆของจิตพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้อุปจารสมาธิ ในการติดต่อกับกายทิพย์ทั้งหลายคือพวกเทพต้องใช้อุปจารสมาธิ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นคณิกะหรืออัปปนาสมาธินี้จะไม่ไปติดต่อกับใครจะตัอ้งอยู่ในอุเบกขา <Yeah. S 1> อยู่ในความสงบสักแต่ว่ารู้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าออกจากอัปปนาสมาธิหรือคณิกะสมาธิ ก็จะเข้าสู่อุปจารสมาธิก็จะมีอภินยาชนิดต่างๆเช่นสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้กายทิพย์ก็คือจิตของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วจิตของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปจิตของพวกเรายังอยู่ อยู่ในรูปแบบของกายทิพย์ถ้าบุญมีบุญก็จะเป็นกายทิพย์ที่มีความสุขเรียกว่าพวกเทพทั้งหลายถ้ามีบาปกายทิพย์ก็จะเป็นกายทิพย์ที่มีแต่ความทุกข์ mm hmm. เช่นกายทิพย์ของเปรตของวสุลกายของนรก นี่คือสภาพของจิตใจของพวกเราที่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะต้องอยู่ในสภาพของกายทิพย์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำบุญได้มากกว่าทำบาปกายทิพย์ของพวกเราจะเป็นกายทิพย์ที่มีแต่ความสุข ก็จะได้เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอาริยบุคคลต่างๆถ้าเราทําบาปมากกว่าทําบุญกายทิพย์ของพวกเราก็จะต้องไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนสุรกายบ้างไปอยู่ในนรกบ้างหรือถ้ามาเกิดก็จะได้ร่างกายของสัตว์เลร้ยงฉันนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม ผู้เป็นผู้กากับชะตาของจิตใจของพวกเราทุกคนดังนั้นหลังจากที่พุทธมารดาได้คลอดเจ้าชายสิทธัตถะได้เจ็ดวันก็เสด็จสวนนโคตไปร่างกายตายไปแต่จิตของพระมารดาของพระพุทธพระพุทธมารดายังไม่ได้ตาย อาศัยอำนาจของบุญที่ได้ทรงกระทำไว้จึงได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นดุสิตเนี่ยเท่าที่ได้ยินมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปแล้วก็มีความปรารถนาที่อยากจะให้พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ยึงส่งกระแสจิตขึ้นไปหาพระพุทธมา n ดาแล้วก็ได้พบกับพุทธมารดาและได้แสดงธรรมโปรดพุทธมร n d a อยู่ถึงสามเดือนด้วยกันจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตนเองให้ขึ้นสู่ขั้นของพระสะกิฎรคามี พระอนาคามีและพระอาหารหันต์ได้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยสั่งสอนก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดถ้ามีก็จะช่วยให้บรรลุได้เร็วขึ้นเพราะจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกแต่ไม่ว่าจะมีอาจารย์หรือไม่มีอาจารย์ก็ตามถ้าได้เป็นพระสวัสดิ์บัตแล้วนี้ จะต้องไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนสามารถไปได้ด้วยตนเองเพราะมีแผนที่แล้วได้พบแผนที่ที่จะนำจิตให้ไปสู่พระนิพพานได้แผนที่ที่ได้ก็คือพระอริยรรสัจสี่นี่พระอริยสัจสีนี้เป็นแผนที่ที่จะบอกให้พระโสดาดาบันดำเนินการปฏิบัติธรรม เพื่อให้สู่ขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานได้เพราะพระริยรสัจสี่นี้จะมีทุกข์คอยเตือนพระโสดาบันอยู่เรื่อยๆว่ายังไม่หมดทุกข์ยังมีทุกข์อยู่และผู้ที่สร้างความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่าง ๆ, ๆและถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ ก็ต้องใช้มากคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ต่างๆด้วยการหยุดความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจอยู่นี่คือการตอบแทนพระคุณของพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้า ทรงสอนให้พุทธมารดานี้ได้พ้นจากกบายได้ไปถึงพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าพระคุณของบิดามารดานี้มีมากมายมหาศาลต่อให้เลี้ยงดูท่านอย่างดีแบกท่านไว้บนบาบรรลัยให้ท่านขับทาย ไปจนถึงวันตายของท่านเพราะคุณของท่านก็ยังชดใช้ไม่หมดการจะชดใช้บุญคุณของบิดามารดาได้หมดนั้นต้องสามารถทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอริยบุคคลให้ได้ให้พ้นจากกระบายให้ตั้งอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติทานศีลภาวนาที่เป็นมรรคคือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย สำหรับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าได้ทดแทนพระคุณของพุทธมารดาอย่างสมบูรณ์ได้สอนให้พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรดให้บรรลุเป็นพระฮาลาหันได้เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตไป ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทุกคนนี้ตามประวัตินี้ได้ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดพระแม่เลี้ยงก็ได้ได้ขอบวชเป็นภิกษณุณีและหลังจากได้บวชเป็นภิกษณุณีก็ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกับพระมเหสีเช่นเดียวกับพระราโชรส คือพระราหุ่นก็ได้บวชเป็นพระพระม่เหสีก็ได้บวชเป็นภิกษุณีและได้ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าและความวิเศษของจิตใจของพวกเราทั้งหลาย ใจิตใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับปุงพัฒนาให้เป็นจิตที่วิเศษวิโสเป็นจิตที่มีคุณค่ามหาศาลคือเป็นจิตที่จะให้บรลมสุขแก่พวกเราคือเป็นจิตที่จะไม่มีความทุกข์จะไม่มีการที่จะต้องไปเกิด แก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบแผนที่คือพระอริยสัจสที่จะพาดวงจิตดวงใจของพวกเราที่กําลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไต่ภพอยู่ในสังสารวัฏนี้ ให้ได้หลุดออกจากกายพบไปได้อย่างง่ายดายผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงนับประกันไว้ว่าจะสามารถหลุดพ้นได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ ปฏิบัติอย่างเต็มร้อยคือเต็มที่จะไม่ไปทำภารกิจอะไรอย่างอื่นจะมุ่งมั่นสู่การปฏิบัติมรรคคือทานศีลภาวนาที่เป็นเครื่องมือที่จะพาให้จิตได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เป็นสิ่งที่ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคครลาบอย่างมหาศาลที่ยากต่อการได้พบได้เจอ เพราะการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งแต่ละองค์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งระยะเวลานี้ท่านบอกว่าเป็นกลับเป็นกันซึ่งจะเขียนด้วยตัวแรกนี้ไม่ได้มันยาวนา น, านเกินไปน่าจะใช้คำเปรียบเทียบว่าเป็นล้านล้านล้านล้านปีนะการมาเกิดของพวกเรา แต่ละครั้งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะเราจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำกันไว้ก่อนหลังจากที่เราตายไปแล้วเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ก็ไม่แน่ว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาทุกครั้งไป บางครั้งมาเกิดก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันที่จะสามารถพาจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเหมือนในยุคนี้ยุคของพวกเรานี้ถือว่าเป็นยุคทองสำหรับผู้ที่ต้องการ ออกจากกองทุกแข่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราอมีแผนที่มีผู้บอกทางที่จะพาให้เราได้ออกจากสังสารวัฏได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าพวกเหล่านี้เวียนว่ายตายเกิดมามากน้อย เพียงไรก็ลองขอให้ลองนึกภาพดูว่าถ้าเราน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพภพที่เรามาเกิดกันนี้ถ้าเรามารวมกันนี้น้ำตาที่พวกเราได้หลั่งกันนี้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูว่าจำนวนของพภพชาติของการมาเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์นี้ ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกี่แสนล้านครั้งด้วยกันถึงจะสามารถผลิตน้ำตาได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรและพวกเราก็ยังจะต้องหลั่งน้ำตากันต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติทานศีลภาวนา ที่เป็นวิธีที่จะพาให้จิตใจของเราหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ <Yeah. S 1> นี่เป็นสิ่งที่พวกเราเป็นผู้ที่จะต้องอพิจารณาว่าพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนที่มีโชค <Yeah. S 1> เช่นคนที่ถูกลอตเตอรี่ <Yeah. S 1> นงวันที่หนึ่ง เวลาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้เราจะทําอะไรกัน mm hmm. เราจะเอาลอตเตอรี่นี้เก็บไว้เฉยๆหรือว่าเราจะรีบเอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นที่สํานักงานสลากกินแบ่งเพื่อรับรางวัล น, mm hmm. นั่นแหละการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ mm hmm. ก็เหมือนกับการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นเอง ถ้าเราต้องการรับรางวัลจากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นรางวัลกันการจะขึ้นรางวัลคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราก็ต้องเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นรางวัลกัน เอาร่างกายของเรานี้ไปศึกษาพราะธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากได้ศึกษาแล้วเราก็น้อมนำเอามาปฏิบัติกันถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับถูกลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นมางวั <c oughs> เก็บไว้ในลิ้นชักหรือเก็บไว้ในบ้านใส่กรอบไว้ดูเล่น บอกว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วขอเก็บลอตเตอรี่ใบนี้ไว้เป็นอนุสร์ก็เอาใส่กรอบไว้เฉยๆในบ้านก็ได้แต่ลอตเตอรี่แต่ไม่ได้รางวัลยานใดพวกเราที่มาเกิดเป็นชาวพุทธนี่ก็เหมือนกันตอนนี้พวกเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้ว ได้มากผลนิพพานแล้วรอเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นรางวัล <c oughs> คือเอาร่างกายของเรานี้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปอย่างที่พวกท่านทํากันในวันนี้ <c oughs> ท่านได้เข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระส <c oughs> งฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง <c oughs> มาฟังธรรมนี้ก็ได้ฟังธรรม คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า mm hmm. แล้วเมื่อได้ศึกษาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ mm hmm. ผลของการปฏิบัติธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับเห mm hmm. มือนในสมัยพุทธกาลทุกอย่าง mm hmm. ถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แสดงธรรมให้กับพวกเราแล้วกว็าตาง แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและได้มีการนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนจากผู้ที่มีผู้ที่ได้ศึกษาก็ถือว่าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นเหมือนในสมัยพระพุทธการทุกอย่าง เพราะธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโกเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปกับการเวลามีประสิทธิภาพตลอดเวลาไม่เหมือนกับเครื่องใช้บริโภคต่างๆเช่นยูกยาอาหารซึ่งสมัยนี้มักจะมีติดฉลากไว้ว่าควรบริโภคก่อนวันนั้นวันนี้เพราะถ้าหลังจากวัน ที่ควรบริโภคผ่านไปแล้วก็อาจจะเป็นภัยต่อผู้บริโภคได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เสื่อมไปตามกาลตามเวลาเป็นอาการลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลามีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธการ ก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างนั้นในสมัยปัจจุบันนี้เพราะคำสอนนี้ก็เป็นอันเดียวกันคำสอนเช่นพระอริยสัจสี 4, ม่มรรคแอิติบาทสเป็นต้นธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนในสมัยพุทธกาลและได้มีการจดบันทึกกันเอาไว้ด้วยการท่องจดท่องจากัน แล้วก็ถ่ายทอดกันมาเป็นยุคยุคจนถึงยุคปัจจุบัน <Yeah. S 1> จึงถือว่าเป็นธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ที่ผู้ปฏิบัติสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ <Yeah. S 1> ท่านเรียกว่าสันติโกเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง <Yeah. S 1> ว่ามีจริง ว่ามรรคผลนิพพานมีจริงว่าการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี้เป็นของจริงที่ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุได้ทุกคนถ้าปฏิบัติอย่างเข้มข้นที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโ น, ยายปปโนสามีจิ ป, ปฏิปันโน ถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ <Yeah. S 1> ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ <Yeah. S 1> ปฏิบัติอย่างเต็มที่ <Yeah. S 1> ไม่ช้าก็เร็ว <Yeah. S 1> ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนหรือเจ็ดปี <Yeah. S 1> ม่กผลนิพพานจะปรากฏขึ้นมาในจิตของผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน <Yeah. S 1> ดังนั้นสิ่งที่พระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ ทำให้กับเราไม่ได้ก็คือการปฏิบัติธรรมนี้นั่นเองพ<ม>ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สอนให้พวกเรารู้จักวิธีปฏิบัติกัน<ม>แต่พวกเรานี้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติกันเอง<ม>ปัจจตัง<ม>วิญโยขี<ม><ม>ผู้ฉลาดเป็นผู้ที่จะเป็นผู้เข้าถึงธรรมนนี้ได้ด้วยการปฏิบัติของตนเอง ปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาขึ้นอยู่กับระดับของการปฏิบัติว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเรายังอยู่ในระดับทำทานเราก็ทำต่อไปทำให้มากขึ้นทำให้สมบูรณ์ถ้าเราอยู่ในระดับศีลก็รักษาศีลไปถ้าอยู่ในระดับภาวนา ก, ก็ภาวนาไปแล้วก็ทําให้เต็มร้อยขึ้นมา ทำให้ครบบริบูรณ์เมื่อทำให้ครบบริบูรณ์แล้วผลก็จะตามมาอย่างแ น, น่นอนเห็นอยู่ที่การปฏิบัติของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้กับเราได้ต่อให้เกาะชายผ้าเหลืองกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่น้อมนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาไปปฏิบัติ ก็จะเป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกงทัพพีนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในหม้อแกงนานสักเพียงไรก็ตามจะไม่รู้ว่าแกงนั้นเป็นแกงชนิดไหนจะต้องเป็นแบบลิ้นกับแกงผู้ที่เข้าหาพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะต้องเป็นเหมือนกับลิ้นกับแกง คือทำคำสอนธรรมธรรมะคำสั่งคำสอนทุกบททุกบาทที่ได้ศึกษานี้จะต้องเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจน่าจะเกิดทำให้เกิดมีฉันทะวิริยะขึ้นมาถ้ามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแนละ้วการปฏิบัติก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี้ต้องศึกษาด้วย ความจดจ่อด้วยความตั้งใจเวลาฟังธรรมก็ต้องตั้งใจฟังจริงๆอย่าปล่อยจิตส่งจิตให้ไปที่อื่นอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปพูดไปคุยกันอย่าไปทําอะไรกันเพราะถ้าฟังธรรมแบบนี้ธรรมจะไม่เข้าไปในใจเพราะใจไม่ได้เปิดรับใจมัวไปเปิดรับกับเรื่องของความคิดต่างๆ เปิดรับกับการพูดการคุยกันเปิดรับกับการกทำอะไรต่างๆทำก็เลยไม่สามารถเข้าไปในใจได้เมื่อไม่สามารถเข้าไปในใจก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาให้เกิดขึ้นภายในใจได้ <Yeah. S 1> ก็จะไม่เกิดการปฏิบัติตา ม, มามีแต่ฟังเพียงอย่างเดียว ฟังแล้วก็ไม่ได้นําเอาไปปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ได้ฟังนั่นเองเพราะการฟังนี้เป้าหมายของการฟังก็เพื่อให้ได้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมารู้แล้วจะได้นํำมาไปปฏิบัติไม่ผิดพลาดนั่นเองถ้าไม่ฟังทำก่อนแล้วไปปฏิบัติก็อาจจะปฏิบัติไม่ถูกต้อง ปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกนะปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นม า, างนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันก่อนเพื่อให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเมื่อรู้แล้วก็ต้องน้อมนำเอาไ ป, ไปปฏิบัติต่อไป น่าจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะรู้ว่าวิธีปฏิบัติถูกต้องนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรนั่นเองเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของการที่เราจะไปรับรางวัลจากพระพุทธศาสนาไปรับมาผลนิพพาน เราต้องเริ่มที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อน <Yes. S 1> ในเบื้องต้นถ้าเราอ่านหนังสือเป็นก็ควรจะอ่านประสูต์ต่างๆที่สำคัญอ <Yes. S 1> ของพระพุทธศาสนาเช่ <Yes. S 1> นธรรมจักรกับประวัตนสูตร <Yes. S 1> อนัตตลกน์ ก, กนสูตรอาทิตยาสูตรสติปฐานสูตร <Yes. S 1> และมงุง มงคลประสูตรนี่เป็นพระสูตรที่จะแสดงมักคือการปฏิบัติสู่การหลุดพ้นถ้าต้องการหลุดพ้นนี้ควรจะศึกษาพระสูตรเหล่านี้ไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนอะไรแล้วเราก็จะได้นำมาไปปฏิบัติ แล้วถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ผลยังไม่เข้าใจเราก็อาจจะไปศึกษากับพระสงฆ์ต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็อย่างน้อยจะได้มีเครื่องวัดคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านสอนตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าท่านสอนไม่ตรงกับคำสอนเราจะได้รู้ว่าท่านไม่ได้สอนตรงกับคำสอน เช่นบา ง, งแห่งบางสถานที่บางอาจารย์เท่าที่ได้ยินมาท่านสอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธินั่งไปไม่ได้อะไรให้เจริญปัญญาเลยเป็นต้นแต่ถ้าเราได้ศึกษ า, าธรรมจักรเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนมรรคนะมรรคแก็มีสัมมาสมาธิมีสัมมาสติด้วยนะ ไม่ได้เพียงแต่สอนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เป็นองค์ของปัญญาปัญญาก็สอนสติก็สอนสมาธิก็สอนอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนรู้มาก่อนจากพระไตรปิฎกจากต้นฉบับจากพระพุทธเจ้าเราไปศึกษากับครูอาจารย์บางรูป ท่านสอนไม่ให้เรานั่งสมาธิเราก็เลยก็ไม่นั่งตามที่ท่านสอนแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะบรรลุธรรมได้ด้วยการเจริญปัญญาเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นไปได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนสัมมาสติไม่ต้องสอนสัมมาสมาธิให้เสียเวลาสอนเพียงแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประคือปัญญาก็พอแต่ปัญญา ที่จะมาใช้กับระดับจิตของพวกเรานี้มันมีกำลังไม่พอมันขาดสมาธิจิตของพวกเราถ้ายังไม่มีสมาธิไม่มีสติเนี่ยจะไม่สามารถที่จะสนับสนุนปัญญาที่เราได้ศึกษาได้พิจารณาได้เพราะปัญญานี้มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตตะมยปัญญา คือคือความรู้หรือปัญญาที่ได้จากการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนั่นเองสุดตะก็คือพระสูตรนได้ศึกษาจากพระสูตรหรือได้ฟังเทศฟังธรรมของของพระพุทธเจ้าคือเวลาภาสเทศนี่ท่านก็จะเอาเอาสูตรพระสูตรของพระพุทธเจ้ามาแสดงกันเนี่ำปัญญาที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี้ ยังไม่สามารถทำให้เราบรรลุได้ถ้าบรรลุได้พวกเราตอนนี้บรรลุกันไปหมดแล้ว<ม>เพราะว่ายังขาดยังต้องก้าวขึ้นไปสู่ปัญญาขั้นที่สองและขั้นที่สามต่อไปปัญญาขั้นที่สองก็เรียกว่าจินตาเมยยะปัญญา<ม>คือปัญญาที่เกิดจากการหมั่นพิจารณาเนื้อคิดอยู่เรื่อย เช่นสรงสอนให้พิจารณาอนิจจังตายรักเราก็ต้องมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเช่นว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้วันนี้เราได้พิจารณากันหรือยังท่านต้องการให้เราพิจารณาเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาว่า ร่างกายของเรานี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วพอเวลาเราไปพบกับความแก่ความเจ็บความตายเราจะได้ไม่ต่อต้านเราจะได้ไม่วิ่งหนีกันเพราะวิ่งยังไงหนียังไงก็หนีไม่ได้เพราะความแก่ความเจ็บความตายนี้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราถ้าเราไม่ต้องการจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายกัน แต่ถ้าเราไม่ได้มันพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> เราจะลืมไปแล้วเราจะเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาในใจ <Yeah. S 1> พอเจอความแก่ความเจ็บความตายใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที <Yeah. S 1> แล้วถึงแม้ว่าเราจะจำได้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <Yeah. S 1> แต่ถ้าใจเรายังไม่สงบยังทำใจให้สงบไม่ได้ เวลาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายใจก็ยังหวั่นไหวอยู่ได้ถึงแม้จะรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ตามเพราะว่าเรายังไม่ได้มาพัฒนาจิตใจของเราให้สู่ระดับของความสงบที่จะทําให้จิตใจของเราไม่หวั่นไหวเวลาที่เราต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองการที่เราจะได้ ปัญญาขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาจึงต้องมีการภาวนานั่นเองต้องยกระดับจิตของพวกเราที่ตอนนี้เป็นระดับจิตที่ยังไม่มีความสงบไม่มีอัปปนาสมาธินี่ไม่มีอูเบขาใจของเรายังไม่เป็นกลางยังไม่วางเฉยยังมีความรักชังกลัวหลงครอบงมอยู่เวลาไปพบสัมผัสกับอะไรที่รัก ก็จะดีใจขึ้นมาเวลาไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รักก็ทุกข์ใจขึ้นมาหรือเจอกับสิ่งที่น่ากลัวก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะยังไม่ได้ทำใจให้เป็นกลางไม่ได้ทำใจให้สักแต่ว่ารู้ได้นั่นเองดังนั้นการที่เราจะได้ปัญญาขั้นที่สามคือภาวนาไมายปัญญานี้เราต้องไปภาวนากัน เราต้องไปเจริญสัมมาสติเพื่อให้ได้สัมมาสมาธิขึ้นมาก่อนถ้าเราได้สัมมาสติได้สัมาสมาธิแล้วเราก็จะได้อุเบกขาใจจะนิ่งเฉยได้แล้วพอใจของเราต้องไปพบกับความแก่ความเจ็บความตายใจของเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่วิ่งหนีจะไม่มีความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย เพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะได้พิจารณาอยู่เนืองๆตลอดเวลาจากจินตามยะปัญญานี่เอง mm hmm. พอเรามีจินตามยะปัญญาแล้วเราไปภาวนาให้เกิดสมถะให้เกิดสมาธิขึ้นมาให้เกิดอัปปนาสมาธิขึ้นมาให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาแล้วทีนี้เวลาเราเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตาย เจอการพัดพรากจากการนี้ใจของเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้สึกทุกข์ไปกับการแก่การเจ็บการตายของเราก็ดีหรือของผู้อื่นก็ดีพราจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมาตื่นเต้นตกใจกันฉันใด การเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกๆค น, น่ร่างกายพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มันจะต้องไปสู่ความแก่สู่ความเจ็บและสู่ความตายด้วยกันทุกคนแต่จิตใจของพวกเราถ้ามีภาวนามย้าปัญญาจะไม่เดือดร้อน ถ้ายังเดือดร้อนอยู่ก็สแสดงว่าเรายังไม่มีภาวนาไมยะปัญญาเราอาจจะมีสุตตะไมยะปัญญาเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมเรารู้ว่าร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่เราไม่เอามาทบทวนพิจารณาอยู่เนืองๆเราก็ลืมได้ลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายไปได้พอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมา เราก็จะตกใจกันขึ้นมาทันที yeah. แต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วพยายามเจริญสมถะภาวนาเพื่อให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาให้ได้ yeah. ถ้าเราได้ทั้งสองอย่างมารวมกันประกอบกัน <Yeah. S 1> เราก็จะได้ภาวนามาย์ปัญญา <Yeah. S 1> คือเราจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย และจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้อาจจะตายในตอนนี้ก็ได้หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายได้หรือหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายได้เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราตอนนี้มันกำลังเป็นอะไรอยู่หรือไม่มันกำลังเป็นมะเร็งกำลังเป็นโรคหัวใจเป็นความดันอยู่ก็ได้แล้วอยู่ดีๆพอมัน ถึงเวลาที่มันจะแสดงอาการของมันมันก็แสดงขึ้นมาแบบปุ๊บปั๊บเลยก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามีภาวนามายะปัญญานี้เวลามันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามเวลานี้พรุ่งนี้หรือเดือนหน้าปีหน้าหรือสิบปีข้างหน้ามันจะไม่หวั่นไหวมันจะเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลามันเตรียมรับกับเหตุการณ์ได้ตลอดเวลามันรักษาใจให้นิ่งให้สงบ ไม่ให้วุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายได้อันนี้แหละทำไมเราจึงต้องมีสัมมาสติมีสัมมาส ม, มาธิด้วยถ้าเกิดเราไปศึกษาจากสำนักบางสำนักที่สอนว่าไม่ต้องไปเจริญสติไม่ต้องไปนั่งส ม, มาธิให้พิจารณาทางปัญญาเพียงอย่างเดียวก็จะได้จิตตามายะปัญญาได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง เป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟรู้ได้จากความคิดปุงแต่งแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาจากจับอัปจากอักอปนาสมาธิพอไปเจอของจริงเข้านี่ใจมันจะสัน่นใจมันจะไม่นิ่งเพราะไม่มีตัวที่จะมาทำให้ใจนิ่งก็คือตัวสัมมาสติกับสัมมาสมาธินี่ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที การปฏิบัตินี้เป้าหมายของการปฏิบัตินี้ไม่ได้่อยู่ที่รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เชรู้ไตรลักษณ์รู้อริยาาสัจสีอันนี้รู้ไว้เพื่อเอามาสอนใจให้นิ่งเฉยไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้แล้วยังไม่สามารถทำใจให้นิ่งได้ทำใจให้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้ความรู้ที่รู้มานี้ก็ไม่เป็น เป็นประโยชน์แต่อย่างใดจึงจำเป็นที่จะต้องมาฝึกจิตใจให้นิ่งเสียก่อนมาฝึกสมาธิก่อนมาเจรัสติก่อนเพราะก่อนที่จะได้สมาธินี้จะต้องมีสติสติเป็นผู้ที่จะทำให้จิตใจสงบเข้าสู่สมาธิระดับต่างๆได้เข้าสู่คณิกะสมาธิเข้าสู่อัปปนาสมาธิหรือสำหรับบางท่านก็เข้าสู่อุปจารสมาธิ อุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิพิเศษที่ไม่จําเป็นต่อการเจริญปัญญาเพื่อการหลุดพ้นดังนั้นสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพน้นนี้ถ้ามีความสามารถเข้าถึงอุปจาระสมาธิได้ก็ไม่ควรจะไปควรจะให้หยุดที่อัปปนาสมาธิเพื่อให้จิตมีอุเบกขามากๆนานๆก่อน อุปจารสมาธินี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาต่อการสร้างภาวนามยะปัญญาขึ้นมาการที่จะมีภ า, ภาวนามยปัญญาขึ้นมาด้านนี้จาเป็นที่จะต้องมีอัปปนาสมาธิคือจิตต้องตั้งมั่นอยู่ในความสงบสัจตวรรุแล้วก็มีอุเบกขาแล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นถ้าจิต ออกไปทางอุปจารสมาธิเช่นออกไปรับรู้เรื่องกายทิศก็ดีหรือไปอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้ก็ดีหรือไประลึกชาติได้ก็ดีถ้าปล่อยให้จิตไปในทางอุปจารสมาธิจิตก็จะไม่สามารถมีอั ป, ปนาสมาธิได้จิตก็จะไม่สามารถเอามาใช้กับปัญญาให้เป็นภาวนามย์ปัญญาได้ก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ ที่มีในใจได้ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะเข้าถึงอุปจารสมาธิได้นี้ในเบื้องต้นถ้ายังจิตยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ไม่ควรที่จะไปสนใจกับเรื่องของอุปจารสมาธิควรมาสนใจกับการสร้างอัปปนาสมาธิก่อนให้มีกำลังมากๆให้มีอุบเบกขามากๆ ให้มีความนิ่งมากๆเวลาไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเช่นความแก่ความเจ็บความตายจิตจะได้นิ่งเฉยได้จิตจะต้านความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้แล้วจิตจะได้ไม่ทุกข์นั่นเองเป้าหมายของการปฏิบัตินี้เราต้องการดับความทุกข์กันเพราะความทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่ร้ายกาจ ต, ต่อจิตใจของพวกเราต่อให้เรามี ความสามารถพิเศษต่างๆมีตาที่ผูทิพย์แต่ความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถมาต้านความทุกข์ได้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ได้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเป็นเครื่องเล่นของใจอุปจารสมาธินี้เป็นเรื่องเครื่องเล่นของใจหรือเป็นเครื่องมือที่อาจจะมาใช้เพื่ อ, อช่วยเหลือผู้อื่นได้ในบางกรณีเช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ ความสามารถที่จะติดต่อกับกายทิพย์ได้เป็นเครื่องมือแสดงธรรมทุกทุกคืนนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมให้กับเทวดาทุกคืนพระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าไปในอุปจารสมาธิถึงจะสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ถึงจะสามารถสอนให้กายทิพย์นี้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่จะไม่ได้มีประโยชน์ไว้สาหรับตัวเอง อุปจาระสมาธินี้ไม่มีประโยชน์กับผู้ปฏิบัติผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์แ้ะถ้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะทำให้หลงทางได้จะทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะหลงทางแทนที่จะไปทางของอัปปนาสมาธิก็ไปทางอุปจาระสมาธิแทนดังนั้นขอให้พวกเราเข้าใจว่า ึแม้ว่าอุปจารสมาธินี้จะเป็นของวิเศษอ่านใจของคนอื่นได้ระลึกชาติได้มีตาทิพหูทิพเห็นกายทิพได้ติดต่อกับกายทิพได้แต่ความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้ดังนั้นอย่าเพึ่งไปทางอุปจารสมาธิถ้าเรายังไม่ได้หลุดพน้นถ้าเรายังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพาน อย่าเพิ่งไปเกี่ยวข้องแต่ก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือผู้ที่จะเข้าถึงอุปจาระสมาธินี้น้อยมากตามที่ได้ยินจากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าร้อยละห้าเท่านั้นเองร้อยคนจะมีสักห้าคนที่มีความสามารถที่จะเข้าสู่อุปจาระสมาธิได้แต่ถ้าผู้ที่ได้เข้าแล้วไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนก็อาจจะหลงคิดว่านี่คือ เป้าหมายของการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้ได้มีความวิเศษมีอภิญญาแล้วอาจจะไปคิดว่าอภิญญานี้จะทําให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันก็จะจะทําให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่งไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้น ถ้าผู้ใดฝึกสมาธิแล้วจิตสามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิได้ก็ให้ดึงกลับมาก่อนให้ดึงกลับมาให้อยู่ในอปปนาสมาธิไปนานๆให้สักแต่วรู้<ม>ให้รู้เฉยๆไม่ไปคิดปรุงแต่งไม่ออกไปรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ<ม> ใ, หให้รู้เฉยๆให้มีความนิ่งความสงบให้มีอุเบกขาให้อยู่กับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไปก่อน เพื่อจะได้มีกำลังไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะสามารถทำใจให้นิ่งเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่ไปทำตามความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปความอยากทั้งหลายก็จะหมดไปเอง พอความอยากไม่มีอยู่ในใจแล้วเห็นอะไรก็ไม่ทุกข์กับอะไรทางนั้นเห็นความแก่ก็ไม่ทุกข์เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เห็นความตายก็ไม่ทุกข์เพราะจิตนี้มีทั้งปัญญาและมีทั้งสมาธิเป็นเครื่องมือในการที่จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นผู้ผลิตความทุกข์ต่างๆ และเป็นผู้ที่จะดึงจิตให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆต่อไปด้วยผู้ที่มีปัญญาระดับภาวนามายปัญญาแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นไปได้ตามลาดับจากขั้นสโสดาบันก็จะขึ้นสู่ขั้นสกิ ด, ดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์ในที่สุด เมื่อได้ถึงขั้นพระอรหันแล้วจิตก็จะไม่มีความอยากหนองเหลืออยู่ในจิตอีกต่อไปจิตก็จะไม่มีอะไรดึงให้จิตต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายโภภิคต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาเพื่อเวลาตายไปจะได้ไปเกิดเป็นเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างหรือเป็นพระอริยบุคคลบ้าง เพราะว่าเมื่อมีการเกิดแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาทุกครั้งไปถ้าไม่ต้องการมีความทุกข์เลยก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตาได้ยังมาเกิดอยู่ถึงแม้ว่าจะมาเกิดดีก็ตามเกิดเป็นใหญ่เป็นโตเกิดเป็ น, นคนร่ำคนรวยเกิดเป็นคนสวยค น, คนงามก็ตาม แต่ก็ยังตอนน้องหนีพ้นไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนไปจะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันดังนั้นต้องปฏิบัติให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้โดยการสร้างภาวนามายปัญญาขึ้นมาการปฏิบัติทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีนี้ เป้าหมายก็คือเพื่อให้เราได้มีภาวนาไมยะปัญญานี้ทำทานเพื่อที่เราจะได้เลิกใช้เงินกันหาเงินกันจะได้มีเวลามารักษาศีลมาภาวนากันพอเรารักษาศีลได้ภาวนาได้เราก็จะมีภาวนาไมยะปัญญากันพอมีภาวนาไมยะปัญญาแล้วทีนี้ ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นกามะตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้จะถูกภาวนามายปัญญากาจัดไปให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นใจที่ผ่องใสเบิกบานตลอดเวลาเพราะ กิเลสเครื่องเศร้าหมองคือความอยากต่างๆนั้นไม่มีหลงเหนืออยู่ในใจต่อไปไม่มีอยู่ในใจแล้วความเศร้าหมองต่างๆก็จะหมดไปใจก็จะเป็นจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานเป็นจิตที่กเกษมเป็นจิตที่มีปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาและเป็นจิตที่ไม่ต้องกลับมามีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไป ว่าไม่มีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่มีกามาตัานหาไม่มีภาวะตันหาไม่มีวิภาวะตันหาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายการที่พวกเรามาเกิดกันมามีร่างกายกันนี้เพราะใจของพวกเรายังมีความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่ยังอยากดูยังอยากฟังยังลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากดืนอยากรับประทานอะไรต่างๆอยู่นั่นเอง จึงทำให้เราต้องมีตาหูจมูกนิ้วไก่พอมีตาหูจมูกนิ้วไก่ก็มีแก่มีเจ็บมีตายตามมามีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราหยุดกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้กาจัดกามาตฐานหาภาวะัาหาวิภาวตัานห า, ะะนหาด้วยการเจริญสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิส ม, มาธิติสัมมาสังโปร ก็คือภาวนามายะปัญญานี่ เ, เป็นเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาธิฏิสัมมาสังกปรนี่คือองค์มากที่ ม, มารวมกันเป็นภาวนามายะปัญญาขึ้นมาพอมีภาวนามายะปัญญาแล้วทีนี้กามตัฏหาภวตัณญหาวิภาวะวัฏญห า, ะะญหาก็จะถูกทำลายไป เมือนเชื้อโรคที่ถูกยาทำรลายนั่นเองร่างกายของเราบางทีก็ติดเชื้อขึ้นมาหมอก็ให้เรากินยาปฏิชีวนะชีวนะยาฆ่าเชื้อกันพอยาฆ่าเชื้อเข้าไปยาก็ไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยพอเชื้อโรคถูกยาทำลายไปหมดโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปความทุกข์ต่างๆก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บของใจ ที่เกิดจากเชื้อโรคคือกามตัะหาภวะตันหาและวิภวะตันหาพอเราเอาธรรมโอสถเข้าไปรักษาคือเอาภาวนามายปัญญาเข้ามารักษาภาวนามายปัญญาก็จะทําลายเชื้อโรคคือกามตัะหาภวะตันหาและวิภวะตันหาให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงพอเชื้อโรคในใจหมดไปแล้ว โรคภัยไข้เจ็บของใจคือความทุกข์ต่างๆก็จะหายหมดไปนี่แหละคือการขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาต้องขึ้นด้วยการปฏิบัติมรรคแปดหรือทานศีลภาวนานี่ทานนี้จะนำให้เราไปสู่การปฏิบัติศีลศีลก็จะนำเราไปสู่การปฏิบัติภาวนาพอเราได้ภาวนาได้ภาวนามยะปัญญา เราก็จะได้มิธรรมะโอสดอยาที่จะมารักษาโรคใจของเรานี้ให้หายจากความทุกข์ทั้งหลายได้ <Yeah. S 1> เราต้องเป็นผูเน้เป็นผู้ปฏิบัติทานศีลภาวนาเราต้องเป็นผู้ขึ้นรางวัลของพวกพุทธศาสนาผู้ น, นี้ขึ้นให้กับเราไม่ได้ของใครของมันท่านถึงต้องสอนอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน เราต้องมีความเพียรพยายามศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติด้วยตนเองไปจ้างคนอื่นมาปฏิบัติไม่ได้คนบางคนจ้างให้คนอื่นมาบวชแทนตนเองเสียเงินเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดว่าได้บุญไม่ได้บุญคิดว่าตนเองได้บวชตนเองไม่ได้บวชคนอื่นบวชให้เราแต่เรายังกินเหล้าเมายายังเที่ยวเตยวอยู่เหมือนเดิมอยู่ จะไปได้ประโยชน์อย่างไรไม่ได้ไม่ได้กินยาฆ่ากิเลสไปให้คนอื่นเขากินแทนเรา mm hmm. เวลาเราเจ็บไา้ได้ป่วยเราไปจ้างคนอื่นมาเป็นคนไข้แทนเราได้หร mm hmm. เปล่ามันไม่ได้ <laughs> ฉันใดเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้น mm hmm. เราต้องปฏิบัติเองอย่าไปหวังคิดว่าคนอื่นจะปฏิบัติแทนเราได้ mm hmm. ไม่มีใครปฏิบัติให้กับเราได้ บางคนคิดว่าอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์จะแผ่บารมีออกมาให้กับเราทำให้บารมีของท่านนี้ทำให้เรามีบารมีของท่านขึ้นมามันไม่ใช่เหมือนกับโทรศัพท์มือถือนี่มันถึงจะแชร์กันได้มีอะไรก็แชร์กันได้แต่นี่มันแชร์ไม่ได้ธรรมะนี่แชร์ไม่ได้ธรรมที่เป็นตัวจริงๆนี่แชร์ไม่ได้แชร์ได้แต่ชื่อธรรมเนี่ยเวลาเราแชร์ธรรมะกันนี่เราเพียงแต่แชร์ชื่อของธรรมะท่านันเอง แต่ตัวธรรมะตัวจริงๆตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานี้เราแชร์กันไม่ได้เราต้องสร้างกันขึ้นมาดัง <Yeah. S 2> นั้นขอให้เร า, เาตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเป็นผู้ศึกษาเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเ <Yeah. S 2> พราะเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติ คือไปขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนานั่นเองแล้วเราก็จะได้รางวัลอันยิ่งใหญ่คือได้มากผลนิพพานนี่คือเรื่องราวของวันตักบาทเทโวที่นำม า, มาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครลัง เอวามวะอิโตตินังเปตาหนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจำโทปนาวาโสยธามณิโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพารโขวินัสสตุ มาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาายุโกภวะภิวาธนสีลิษะนิจจงอุทตาปจายิโนจตารโหธรรมวัานติอายุวโนสุขังอะลา ลำดับต่อไปเป็นช่วงถามคาตอบคาถามคาตอบใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยก็ เ, เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะว่าหลังจากที่เริ่งแล้วก็จะไม่สะดวกก็ะจะต้องมีการเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆดงนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามในช่วงนี้ได้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหรทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต423 Facebook พออจอสุชาติอภิชาโต48ยอดรวม Facebook 471ทาง YouTube 187วิทยุออนไลน์5 o ู m 6ผู้รับฟังนาคุติ188รวม857คะ่ะนาคุติเท่าไหรนะนาคุติ188ค่ะ มีคําถามเหร อ, อเดี๋ยวเอาไม้คระป๋อนเชิญพูดได้เลยเคื อ, อลูกได้เริ่มปฏิบัติธรรมจากการนั่งสมาธิอะค่ะแล้วพอนั่งเรียนนั่งสมาธิได้หเดือนตอนนี้ก็ได้อ่านหนังสือหลวงพ่อด้วยแล้วก็เจริญสติแล้วก็ตอนนี้อ่านหนังสือหลวงพ่อเห็นว่าหลวงพ่อสวดธรรมจกกักรประวัตินัสูตรก็กมาสวดด้วยทีนี้มีข้อสงสัยห่าเพราะว่า การปฏิบัติเนี่ยค่ะมีสูตรไหมคะว่าเราควรจะภาวนาไม่เท่าไหร่สมาธิเท่าไหร่หรือว่าเจริญสติแค่ไหนบางที่สุดรเน่ยเท่าที่จะมากได้คือจะเก็บแต้มตอนไหนก็ได้หมดทุกอย่างเลยช่ไเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติเลยหรือหรืออ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมไปอย่าไปทําเรื่องอื่นถ้าไม่จําเป็นต้องทําเช่นดูละครเล่นเกมหรืออะไรทํานองนี้เอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติทำดีกว่า ยิ่งทำมากยิ่งได้มากยิง่งได้ได้ได้เร็วค่ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ติดอยู่ในใจนิดหน่อยค่ะหลวงพ่อคือว่าต้องดูแล ค, ค, คุณพ่อคุณแม่ที่ที่คุณพ่อเจ็บป่วยแล้วก็ท่านชอบไปเที่ยวแต่เราก็ก็ เมื่อก่อนก็นจะพาท่านไปเที่ยวอยู่ตลอดแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกว่าการที่เราแบ่งเวลาม า, าปฏิบัติเนี่ยทำให้ลดน้อยเวลาที่พาท่านไปสุขเราก็ต <c oughs> ้อ <c oughs> ง แ, แบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ท่านไป <c oughs> เวลาที่ท่านต้องการเราก็ต้องให้ท่านไปเ <c oughs> พราะเราเป็นเหมือนลูกนี่เจ้านี่เข้ามาทวงนี้เราก็ต้องจ่ายนี่ยิ่งทำทำอะไรให้กับพ่อกับแม่ก็ยังเป็นบุญอยู่ทาไปให้พ่อแม่มีความสุข ทำได้นะ่ยเพต้องถือว่าตอนนี้เรายังมีภาระก็แล้วกันจะเอาแต่ประโยชน์ของเราคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องคิดถึงประโยชน์ของผู้ที่มีพ่อคุณกับเรางั้นก็ถ้าท่านต้องการให้เราพาไปไหนก็พาไปมีสติไปกันแล้วกันแล้วก็ฝึกสติไปอย่างที่ได้เทศไว้บุญคุณของพ่อแม่ใช้ยังไงก็ไม่หมดงั้นใช้ได้เท่าไหร่รีบใช้ไปเถอะ แล้วต่อไปวันข้างหน้าอาจจะเอาธรรมะมาสอนท่านก็ได้ต่อไปคำถามฝากถามค่ะขอพระอาจารย์เมตตาให้อุบายในการอยู่กับคนที่คิดลบเจ้าค่ะคิดลบอ่าปล่อยว่าคิดไปเถอะเขาอยากจะคิดลบคิดบวกเราก็ห้ามเขาไม่ได้ขอให้เราคิดแต่บวกไปอย่างเดียวคิดด้วยควาเมตตากรุณามุดิตาโุบเบขา อุธเชีววยสอนในพวกเราเหมือนจอมาทำวิหารสี่กันแล้วเราจะอยู่กับคนทุกคนได้คนหนึ่งเขาจะคิดลบคิดบวกคิดซ้ายคิดขวามันก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราต้องมองเขาเป็นเหมือนกับดินฟ้ากะแล้วเราจะอยู่กับเขาได้บางวันฝนก็ตกบางวันก็แดดออกบางทีก็เจอคนคิดลบบางทีก็เจอกันคิดบวกถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องเจอกอ็อย่าไปเจอ พยายามคบคนให้น้อยที่สุดคบเท่าที่จำเป็นจะดีกว่าเรื่องจะได้ไม่มากไม่บาลปลายยิ่งคบมากเรื่องก็มากมากเรื่องไปเรื่อนี่ปัญหาของเราก็คือเราอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้กันยังเหนาอยู่เลยต้องคบคนนั้นคบคนนี้เราครบคนนี้คนนั้นคนนี้บางทีก็เจอคนที่ไม่ถูกใจขึ้นม า, าก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมา เั้นพยายามมาฝึกสมาธิกันฝึกสติกันนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้มีความสุขในตัวของเราเองแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องคบกับใครก็ได้อยู่คนเดียวก็ไม่รู้สึกเหงากลับมีความสุขมากกว่าอยู่กับคนอื่นด้วซ้ําไปคําถามจากคุณฟ้าใสเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเปิดธรรมะไปด้วยจะเป็นการปรมามทยต่อพระธรรมหรือเปล่าเจ้าคะขอะไม่หรอกการฟังธรรมไม่ว่าจะอยู่ในระยะบทไหน ก็ฟังได้แต่ยียยาบทที่ดีที่สุดก็คือนั่งนั่งเฉยยถ้ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่นี้มันจิตใจของเราจะแบ่งเป็นสองส่วนแบ่งไปที่การเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็แบ่งไปที่การฟังธรรมมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มร้อยได้50 50ถ้าอยากจะได้ประโยชน์เต็มร้อยจากการฟังธรรมก็นั่งเฉยเฉยดีกว่าคำถามจากคุณสุพันธิตามีสองข้อค่ะ ข้อแรกตอนเดินจงกรมหนูสวดมนต์ตั้งแต่อิมินาไปจนจบถึงบทแผ่ส่วนกุศลหนูจำได้หมดอย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมคะก็เป็นการเจริญสติในเบื้องต้นให้เรามีสติลดความคิดปุุงแต่งต่างๆให้น้อยลงแต่ยังต้องปฏิบัติเพิ่มอีกคือหลังจากสวดเสร็จก็ต้องนั่งสมาธิต่อนั่งดูลมหายใจเข้าออกต่อไปแล้วก็ ฟังเทศฟังธรรมด้วยจะได้ครบสูตรได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาคำถามข้อสุดท้ายหนูเดินรอบสระน้ำตอนตีสีถึงตีหแต่ไม่ใช่ทางเดินจงกรมอย่างนี้ทำได้ไหมคะได้มันไม่ได้อยู่ที่ทางว่าตรงตหรือโค้เค้ยวอยู่ที่สติเดินมีสติและไม่มีสติการเดินจงกรมนี้ก็เพื่อเป็นการเจริญสติ งั้นถ้าเราเดินทางไหนก็ตามแล้วเรามีสติคือพุทโธพุทโธอยู่ในใจหรือเฝ้าดูการเดินของเราตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ถือว่าเราได้เดินจงกรมคําถามจากคุณสิริลูกขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทําทไมเรารู้ธรรมแต่ไม่เห็นธรรมทาไมเรารู้ทุกแต่ไม่เห็นทุกเพราะธรรมที่เรารู้นี่มันเป็นชื่อของมันไม่ใช่ตัวของมัน เหมือนไปร้านอาหารไปเปิดดูเมนูเลยเมนูมันได้เป็นตัวอาหารเป็นชื่อของอาหารถ้าไม่สั่งให้เขาทำอาหารออกมาเราก็ไม่ไม่ได้กินอาหารางั้นการได้ได้ฟังธรรมนี้เป็นเพียงได้ยินชื่อของธรรมนะอย่างไม่ได้เจอตัวธรรมอยากจะเจอเจอตัวธรรมต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติสติสมาธิปัญญาแล้วตัวธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็น คำถามจากคุณไอซ์เบอรีถ้าเราสามารถเข้าสมาธิในระดับที่เราปฏิบัติได้โดยให้จำอารมณ์การวางสมาธิระดับที่นั้นไว้แล้วเมื่อเรานั่งสมาธิครั้งใหม่มก็ให้เข้าสมาธิระดับนั้นโดยทันทีโดยไม่ต้องเริ่มภาวนาไม่ได้หรอกมันไม่เหมือนกับหนังสือที่เราอ่านเสร็จแล้วก็มีคิ่คั้นหนังสือไว้พอเวลาเราจะอ่านใหม่เราก็อเปิด ไปที่ขั้นหนังสือได้แต่มันไม่มีที่ขั้นขั้นใจว่าเออเราได้สมาธิระดับนี้แล้วเดี๋ยวพอเรานั่งหลับตาปั๊บนึกถึงมันปุ๊บมันจะมาไม่มาหรอกยิ่งนึกยิ่งไม่มาใหญ่เราต้องเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องมาที่ดูลมหายใจแล้วพุโทโธใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเรากลับขึ้นไปสู่ขั้นนั้นใหม่ไม่ยากหรอกเพราะถ้าเรามีสติแล้วปุ๊บปั๊บก็เข้าไปได้เหมือนกัน อย่าไปจำมาว่าวันนี้สงบแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจำความสงบแบบนี้แล้วก็นั่งนึกถึงมันนึกไปจนมันตามันก็ไม่มาดนั้นต้องใช้สติตัวเดียวที่จะพาเรากลับเข้าไปสู่สมาธิได้คำถามอีกข้อจากคุณไอส์เบอรีค่ะจากที่พระอาจารย์กล่าวว่าผู้ที่ได้อุปจารสมาธิมีเพียงร้อยละห้าดังนั้นผู้ที่สามารถเข้าฌานสีได้จริงๆก็มีจานวนน้อยยิ่งกว่าใช่ไหมคะ อย่างนี้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจะมีโอกาสได้อปปนาสมาธิไม่หรอกผู้ที่เข้าฌานสีนี้เข้าได้ทุกคนถ้ามีสติแต่จะได้แค่อัปปนาสมาธิเป็นส่วนใหญ่ 95% มีหเปอร์เซ็นต์ที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถทะลุเข้าไปในอุปจารสมาธิได้นอกนั้นก็อยู่ที่อัปปนาสมาธิซึ่งดีที่สุดแล้วไม่มีปัญหาเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คืออปปนาสมาธิ เราต้องการอุเบกขาเพื่อที่จะมาใช้ควบคู่กับจินตามยาปัญญาเพื่อเราจะได้ดับความอยากดับความทุกข์ต่างๆได้ฉะนั้นอุปจารสมาธินี้ไม่มีความจำเป็นต่อการพ้นทุกข์แต่อย่างใดและอาจจะมาเป็นอุปสรรคได้ถ้าเราไปหลงติดกับอุปจารสมาธิแล้วกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เช่นเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตท่านก็ได้อุปจารสมาธิท่านก็เลยคิดว่าท่านมีคุณวิเศษ สามารถปกครองสง์ได้ก็เลยขอพระพุทธเจ้าขอเป็นผู้ปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าเพราะเนื่องจากพระพุทธเจ้าอายุมากแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเป็นความหนุงของเทวทัตกปป็ปฏิเสธไปปฏิเสธเทวทัตก็เกิดกิเลสความโกรธก็ไม่มีไม่มีภาวนาไม่ยัปัญญามาหยุดความโกรธได้ก็เลยคิดปรุงพระชนถึงสามครั้งด้วยกันเลยกลายเป็น อนันตรียกกรรมขึ้นมาเป็นเป็นบาปหนักอย่างยิ่งตายไปก็เลยต้องไปอยู่ในนรกก่อนแต่ดีตรงที่ว่าก่อนจะตายสำนึกผิดสำนึกว่าตนได้ทำความผิดก็ไปขอขมาและถวายกลางที่กาลังจะถูกแผ่นดินสู่ไปนี้ให้เป็นพุทธบูชาพทธเจ้าบอกว่ามีจิตสำนึกในการกระทาบาปนี้ก็จะทำให้ไม่กลับมาทําซ้ำซ้อนอีก ก็หลังจากที่ใช้กรรมหมดแล้วกลับมาก็จะมาปฏิบัติทําต่อแล้วจะได้บรรลุปเป็นพระประเจกา พ, ธธพุทธเจ้าต่อไปเนี่ยมันทำให้เสียเวลาถ้าไม่มีอุปจารสมาธิถ้าเข้าอัปนาสมาธิเหมืนอ น, นพระพระโซพระอานนท์หรือพระลาหุ่นี่ก็ไม่มีปัญหาเลยจะไม่มีความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอะไรเพราะความอยากมันก็เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจ น, น ก็จะได้บรรลุในชาตินั้นเลยอันนี้เราต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนแล้วออกมาถึงต้องมาบำเพ็ญใหม่มาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาใหม่คำถามจากคุณวิเชียนในขั้นตอนการปฏิบตัติครูบาอาจารย์สามารถนำปฏิบัติยกระดับจิตเพื่อช่วยเคลียร์สภาวะด้านลดและยกระดับชัตนขั้นองค์ชาญได้หรือไม่อย่างไรครับออท่านยกให้เราไม่ได้หรอกเราต้องยกเอง บาคนคี่ว่านั่งสมาธิกับอาจารย์แล้วเราก็จะได้สมาธิเหมือนกับอาจารย์ไม่ได้หรอกสมาธิของใครของมันอยู่ที่สติใครของสติมันแต่ถ้ว่าพอนั่งอยู่กับอาจารย์อาจจะมีสติมากขึ้นก็ได้เพราะกลัวเดี๋ยวยิ่งอยู่อาจารย์บางรูปมีมีอภิญญาดูจิตเราได้ก็กลัวเดี๋ยวจะรู้ว่าเรากาลังไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยไม่กล้าคิด อย่างนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ได้นั่งใกล้ครูบาอาจารย์แล้วมันทําให้มีสติมากขึ้นแล้วก็ได้ความสงบมากขึ้นแต่จะไปหวังให้อาจารย์เอาสติของท่านมายกระดับจิตของเรานี่ทาไม่ได้คำถามฝากถามค่ะอยากรับราชการแม่ก็เที่ยวแอบโทรไปหาคนโน้นคนนี้วุ่นวายโดยหนูยังไม่ได้ขอหลานดินจบแม่ก็โทรไปฝากงานและบอกให้หลานไปทาหลานงงมากเพราะไม่ใช่งานที่ตัวเองต้องการ แม่ของสามีญาติไม่สบายแม่ก็ไปออกความเห็นต้องผ่าตัดจะโทรหาอาจารย์หมอให้ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องที่เ้าถามความเห็นเลยและแม่ก็เป็นคนนอกการกระทําต่างๆนี้เข้าใจว่าด้วยเจตนาดีแต่มันสร้างความทุกข์ให้กับผู้รับจริงๆค่ะเราควรพูดเตือนบ้างไหมคะเราจะบาปแทนหรือเปล่าพูดไปก็กลัวแม่เสียใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้นิสัยนี้ได้หรือเปล่าหรือปล่อยๆไปดีคะการสร้างทุกข์ให้ผู้อื่นไม่ว่าเจตนาดีเป็นบาปหรือเปล่าเจ้าคะ ก็ทําให้ผู้อื่นเขาทุกข์ก็บาปแต่ว่ามันก็เป็นความเมตตาแต่เมตตาแบบขาดปัญญาไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมว่าทําไปแล้วผลจริงๆจะเกิดขึ้นอย่างไรคิดว่าทำแล้วจะเกิดผลดีแต่ความจริงมันอาจจะเป็นตรงกันข้ามก็ได้ยังส่วนเรื่องที่จะไปสอนแม่บอกแม่นี่ก็คงจะยากถ้าท่านไม่มาถามเรามาปรึกษากับเราเราก็ไม่ควร หรือถ้าเราฉลาดพูดไปแบบเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เป็นเรื่องเดียวกับของแม่นี่ก็ได้อแล้วให้แม่เข้าไปพิจรารณาของเขาเห็นว่ามันมันว่ากูเปล่าแต่อย่างนั้นไม่ได้พูดถึงแม่พูดถึงคนนู้นเพื่อนเพื่อนมีแม่คนหนึ่งไม่มีพ่อคนนึ่งชอบไปยุ่งกับชาวบ้านเขาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทําให้คนวุ่นวายไปหมดเนี่ยเรพูดอย่างนี้ได้อยู่สอนแบบอ้อมๆแต่จะไปสอนโดยตรงบอกโดยตรงไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ แต่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ของเราพ่อแม่ก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราเฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ไม่อยู่ในฐานะที่จะสอนแต่สามารถสอนแบบทางอุบายทางปัญญาได้เพืดเกี่ยวกับเรื่องของท่านโดยที่ไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงตัวท่านพูดถึงเรื่องของคนอื่นซึ mm hmm. ่งบางทีนี่ก็เป็นวิธีการของครูบาอาจารย์บางทีท่านจะว่าลูกศิษย์คนนี้แต่ท่านไม่ว่าท่านไปว่าคนโู้นแทนแต่เปนเรื่องเดียวกับคนนี้ คนนี้ฟังถ้ามันมีปัญญามันก็จะรู้ว่ า, ากำลังถูกว่าแต่อย่างนั้นมันก็จะไม่รู้สึกเสียใจยว่าถูกว่าโดยตรงมันก็อาจจะได้สติขึ้นมาแล้วก็อาจจะเพราะครูบาอาจารย์บางทีก็ดูคนว่าจิตใจเป็นยังไงอ่อนไหวง่ายหรือไม่ง่ายถ้าพูดตรงไปตรงมาอาจจะรับไม่ได้ก็ได้ก็เลยบางทีอาจจะต้องพูดแบบอย่างที่โบราณเขาบอกว่าเชือดไก่ให้ลิงดู อย่าไเชิดลินก็ไม่ได้แล้วลิงมันตายเราไปเชิดไก่ให้ให้ลิงมันดูมันจะได้ปรับปรุงตัวมันเองได้คําถามจากคุณปิติดีผมอยากขอให้พระอาจารย์แนะนําเรื่องการวางจิตวิธีคิดครับคือผมเป็นคนที่เห็นหรือเจออะไรก็จะงุดหงิดง่ายเช่นพวกขี่รถมอเตอร์ไซค์ท่อดังหรือคนขับรถที่ไม่มีมารยาทเราจะวางจิตหรือคิดอย่างไรไม่ให้หงุดหงิดได้ขอรับ พระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้เมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับคนถ้าให้ความเมตตาเขาได้ก็ให้เขาไปให้ความกรุณาได้ก็ให้ไปให้บุดิตาได้แล้วแต่กรณีถ้ากรณีที่ให้เมตตากรุณามุดิตาไม่ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาเช่นเนี่ยเขาส่งเสียงดังแล้วเราไปทำใบบอกเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ เราก็ต้องใช้อุเบกขาทำใจเราให้นิ่งแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับการกระทำของเขาถ้าเราอยากจะให้เขาหยุดกระทำแล้วเราทำไม่ได้เราก็จะทุกข์เราก็จะหงุดหงิดใจแล้วก็จะไปโกรธเขาขึ้นมาคำถามจากคุณเพลินพิสุมีคนบอกว่าไม่ต้องทำบุญให้แม่หลังจากไปแล้วคะ่ะเพราะท่านไม่รับรู้แล้วจริงไหมคะไม่จริงหรอกดวงวิญญาณแต่และดวงนี้ยังรับรู้อยู่ทุกอย่าง ถ้าก็าขาดแคลนอะไรบางทีก็จะนึกถึงคนใกล้ใกล้ตัวที่สุดก่อนเขาก็จะนึกถึงลูกเขาก็จะมามาขอบุญจากเรานการมาขอบุญนี่ก็ส่วนใหญ่สําหรับพวกเราที่ยังไม่มีอุปจารสมาธิก็ต้องขอผ่านทางเวลาเรานอนหลับแล้วมาเข้าฝันเราแม่เข้าฝันเรามาเล่าบอกว่ากําลังทุกข์ยากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออย่างนี้เราก็ ต้องรีบส่งบุญไปให้ท่านแต่ตามปกติเวลาคนตายไปนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ในสภาพไหนบางทีเขามีบุญติดตัวไปเยอะเขาก็ไม่ต้องมารบกวนเรามาขอจากเราแต่เพื่อความปลอดภัยหรือว่าเพื่อป้องกันไว้เผื่อเผื่อไว้ว่าถ้าเขาขาดบุญแล้วก็ยังติดต่อกับเราไม่ได้แล้วก็เวลาเราทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับเขาไปหรือบางทีการนอนหลับเรฝันถึงเขา ซึ่งเขาไม่ได้มาหาเราก็ได้เพียงแต่เรานึกถึงเขากันมาก็ทำบุญไปอุทิศไปหรือเพราะว่าอาจจะเขาเข้ามาเข้าฝันมาหาเราก็ได้คำถามจากคุณพัชราพรผมรักจ้างขายไก่ทอดไก่ย่างต้องสั่งออเดอร์ไก่ผมจะบาบหรือเปล่าครับถ้าสั่งล่วงหน้าก็บาปเพราะว่าพอสั่งแล้วเขาก็ต้องไปข้าวมาขายให้กับเราก็มีทางเดียวไปซื้อตามมีตามเกิด ไอคนนี้นถ้ามันเห็นเรามาซื้อทุกวันเราไม่ต้องสั่งมันมันก็คงยจะรู้เองมันก็ทําเผื่อเองอย่างนี้ไม่บาปเพราะเราไม่ได้สั่งเขาแต่เขาอยากจะขายเราเอาอะไรไปฆ่ามาให้กับเราสมมติเราไม่สั่งเขาวันนี้มาทําเอากายหมดแล้วเหร อ, อหมดแล้วเสียดายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเขาเรู้ว่าเรามาสองสามผลต่อไปเขาก็จะทําเผอเก็บไว้ให้เราละ <laughs> อันนี้อุบายอุบายแบบไม่ทำบาปทำแบบโดยไม่ต้องทำบาปเพราะเราไม่ได้สั่งเขาเขาทำเองเขาทำด้วยกิเลสความโลภความอยากของเขาเองอยากจะได้เงินของเขาอันนี้เราก็ไม่บาปคือถ้าร้านนี้ไม่มีเราก็ไปหาอีกร้านหนึ่งก็แล้วกันไม่หลายร้านใช่ไหมยิ่งสมัยนี้มีร้านที่เขาสั่งมาเยอะๆเผื่อคนก็เยอะๆอยู่แล้วเราก็ไปซื้อตามร้านที่เขามีเยอะๆก็ไม่บาป เพราะบาปนี้เกิดได้2ทางคือทอําเองฆ่าเองหรือสั่งให้เขาฆ่าให้เราเนี่บาปด้วยกันทั้งคู่ยิ่นต้องหลีเลี่ยงถ้าไม่ต้องการจะทําทบาปถ้ายัางต้องการทําอาชีพอยู่กถ็ถ้าทางที่ดีก็เปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนอย่าไปขายยาดีกว่าขายอะไรที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นดีกว่า คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่กลาบเรียนถามว่าอัปนาสมาธิใช่ฌานสี่หรือเปล่าคะและอุปจารสมาธิอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าอัปนาสมาธิคะก็อัปนาสมาธิก็คือฌานสี่มีอุเบกขาส่วนอุปจารานี้น่าจะอยู่ระดับเดียวกันนะเราไม่รู้แต่คือไม่ได้เป็นอรูปฌานไม่ได้ขึ้นไปอรูปฌาน อยู่ระดับเดียวกันต่างกันตรงที่มันไม่อยู่เฉยๆมันออกไ ป, ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆท่านั้นเองหมดแล้วเหะอ ม, มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม ม, มีแล้วโจนเจนไม่ต้องเก่งใจนะไม่คิดตังค์นะคำถามนะ <laughs> เมื่อกี้ที่มีคนถามว่าออถ้าเราคิดลบต่อผู้อื่นพระอาจารย์บอกว่าให้ใช้เมตตากรุณามุมิตา อ, อุเบกขาแล้วถ้าเราคิดลบต่อตัวเองค่ะก็เหมือนอาจารย์ก็เมตตาตัวเราเองคัะหรือสอนตัวเราว่าอย่าไปคิดแบบนั้นคิดแล้วมันไม่ดีผลเสียหายหตามมาคิดลบแล้วเราก็จะทําร้ายตัวเราเองได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการจะทำอยู่แล้วเราต้องการดูแลตัวเราให้ดีก็ต้องคิดไปในทางที่ดี แล้วเมตตาตัวเองจะเมตตาอย่างไงได้บ้างะก็ดับความทุกข์ในใจเราไงเวลามีความทุกข์เราก็ดับมันด้วยการปฏิบัติธรรมหยุดความโลภ ค, ความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆในการปฏิบัติธรรมของเรานี้ก็เป็นการเมตตากับตัวเราอยู่แล้วเพราะเราต้องการความสุขสุขสขีอัตตานังปริหะนัน ต, ตุจงมีความสุขรักษาตนเถิด เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็ถือว่าเราได้ให้ความเมตตากับตัวเราอยู่แล้วคําถามจากคุณเหมียวแม่แฟนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณหมอให้ท่านมาเสียที่บ้านเลยให้ยาโมฟีนฉีดเพื่อไม่ให้ปวดเราบาปไหมคะหม อ, อไม่บาปนะก็เป็นเรื่องของการหยุดยุติการรักษาพอ ร, รักษาไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเงินเสียทองแล้วก็ไปยืดเยื้อ ให้ทุกทรมานไปเปล่าๆฉะนั้นปล่อยให้เป็นไปตามวาระของร่างกายเมื่อมันถึงเวลาที่จะต้องหยุดหายใจก็ปล่อยมันหยุดหายใจไปก็เท่านั้นเองไม่บาบถ้าเราไม่ไปฉีดยาให้เขาตายแต่ถ้าฉีดยากันความทุกข์นี้ดับความทุกข์ได้ก็ฉีดได้ไม่เป็นไรเป็นการรักษาถต่ยังเป็นการรักษาอยู่ คำถามจากคุณคุณศิริลูกเจริญสติแบบเคลื่อนไหว14จังหวะแนวหลวงพ่อเทียนรู้แต่ละจังหวะเห็นการเกิดดับของการเคลื่อนไหวแต่ละจังหวะแบบนี้ลูกทําถูกไหมเจ้าคะก็ถูกอ่ะแต่มันไม่ถูกกับเหตุการณ์เพราะชีวิตของเรามันไม่ได้เคลื่อนไหว14จังหวะบางทีเรากระโดดโลดเต้นบางทีเราว่ายน้ําเราเล่นตะก้อเล่นอะไรต่างๆก็ต้องใช้สติอยู่ในทุ ก, กิริยาบทของการเคลื่อนไหว มันถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องฉะนั้นถ้าเรามาเจ้าแต่ไอ้ขั้น14บีตอนนี้เวลาไปทำเฉยๆก็ไม่ไม่เจริญสติเลยมันก็เสียเสียเวลาเสียประโยชน์ไป ต, ตามหลักการปฏิบัติธรรมที่เป็นธรรมชาติต้องปฏิบัติกับทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวไม่ต้องมาออกแบบว่าต้องต้องยกแขนยกนิ้วยกมือไปทางนั้นทางนี้อัน น, น, นี้อันนี้ก็ทาได้ในเฉพาะการเฉพาะกิจ เวลาที่เราว่างแล้วจิตเรายังฟุ้งซ่านอยู่นั่งสมาธิไม่ได้ดูไม่ได้ก็มาลองทํากิจอย่างที่ท่านสอนก็ได้ก็อาจจะช่วยดึงจิตให้กลับเข้ามาอยู่กับตัวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอจิตอยู่กับตัวแล้วก็หยุดใช้วิธีนี้แล้วก็นั่งดูลมหายใจต่อไปได้ <Yeah. S 2> แต่เรื่องสติจริงๆนี่ต้องจเจริญตั้งแต่เดินตาขึ้นมาเลยพอเดินตาขึ้นมาพอจะลุกก็ต้องรู้สึกตัวแล้วกําลังลุก กำลังยืนก็รู้กำลังยืนกำลังเดินก็รู้กำลังเดินเนี่ยอันนี้ต้องต้องต้องเป็นแบบนี้ถึงจะได้สติเยอะๆได้ได้มากๆว่เาเราทํามากเนี่ยทำตลอดเวลาแล้วพอมานั่งสมาธิก็ไม่ต้องมายกนู่นยกนี่ยกมือยกเท้าอีกทีนั่งปั๊ก็หลับตาดูลมหายใจเท่อออกได้เลยหมดแล้วเหละ มีคำถามเข้ามาแต่ว่าพิมพ์ยังไม่สมบูรณ์ครับพระอาจารย์จะเรียนถามว่าการเดินมักเห็นเอริยาบทกายและเห็นทับพิมคำถามยังไม่หมดเจ้าค่ะบางนะก็ได้บางก็มีสติปัญญาสมาธิเป็นสามตัวหลักส่วนศีลกับทานนี้ก็เป็นตัวสนับสนุนทําทานเพื่อให้เราจะได้ลดการาใช้เงินใช้ทองเอาเงินที่เราจะใช้เงินใช้ทองแบบ ฟงเฟอเหอะมาทําบุญทำทานแทนเราต่อไปเราจะได้อยู่แบบสมถะเรียบง่ายเราก็จะได้ไม่ต้องใช้เงินมากก็ไม่ต้องหางานทํำมากไม่ต้องทํางานมากก็จะมีเวลามารักษาศีลบางภาวนาได้ออพอเราภาวนาแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเจริญสติเพื่อนั่งสมาธิทาจิตให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาไตรรักษความจริง อันนี้จังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเแล้วเราก็จะสามารถใช้ปัญญาพวกคู่กับสมาธิมาหยุดความอยากต่างๆได้ไม่มีมีเจ้าค่ะคำถามสกุลอัจฉราไปทานอาหารร้านที่มีอาหารทะเลสดๆเช่นปลาที่ยังมีชีวิตถ้าสั่งมาทำอาหารผิดศีลข้อหนึ่งไหมเจ้าคะถ้าสั่งก็ผิดถ้าเขาเอาปลาที่ยังมีชีวิตอยู่มาฆ่าแล้วมาทาอาหารให้กับเรา นอกจากเราสั่งก็ว่าเอ า, เอาของที่ตายแล้วมีัหมของที่ฆ่าแล้วมีไหมที่เราไม่ได้สั่งให้ฆ่าเอาของที่ฆ่าเหมือนกับของที่ของตายที่ตลาดที่เราไปซื้อมาถ้ามีเราก็เอาอย่างนั้นถ้าไม่มีเราก็ไปเปลี่ยนร้านอื่นไปก็แล้วกันถ้าไม่อยากจะทาบาป<ม>ก็ไปหาร้านที่ก็ไม่มีของของเป็นๆมาฆ่าเพื่อทำอาหารให้กับเราคำถามจากคุณนรุมนค่ะ ถ้าเห็นภายในสิ่งหนึ่งสงบนิ่งมีสิ่งที่ปิดเอาไว้คือสิ่งนึกคิดปรุงแต่งแต่พอเข้าถึงสงบนิ่งความคิดหายไปแต่อยู่ไม่นานแต่เห็นขณะจิตไม่ได้อยู่ในสมาธิแต่นั่งนิ่งสงบควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็ให้มันเิ่งสงบนานๆพยายามทำจิตให้นิ่งให้สงบนานๆเพราะมันจะเป็นกำลังในการต่อสู้กับความอยากได้ เวลาเกิดความอยากเราก็ทำใจให้นิ่งให้สงบเราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็หายไปเราก็สบายอยากสูบบุหรี่ก็เลิกสูบได้อยากจะกินเหล้าก็เลิกได้ถ้าเวลามันอยากแล้วเราไม่ไปทำตามความอยากอย่างนี้เราต้องฝึกจิตให้นิ่งบ่อยๆให้บิ้งนานๆจะได้มีกำลังเวลาเกิดความอยากจะได้ไม่ต้องไปทาตามมันคาสามสุดท้ายแล้วนะค่ะ <c oughs> คำถามจากคุณวงจันทราเวลานอนเราเห็นตัวเองกลนหรือ right? ก่อนตื่นบางทีเห็นเรานอนหลับแบบนี้ถือว่าเกิดจากผลของสมาธิไหมเจ้าคะก็ผลจากมีสติสติเรามาก่อนที่เราจะตื่นก็เลยยังเห็นว่ากำลังกลนอยู่ก็เป็นเรื่องของสติเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าจะกลนไม่เกินจะรู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นเรื่องปัญหาเลย เรามีสติเพื่อที่จะมาหยุดความคิดทำจิตให้สงบให้นิ่งเพื่อจะได้หยุดความอยากต่างๆได้เาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจารณาไปปฏิบัติก็ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ